มองไม่เห็นไม่ใช่จะไม่มีอยู่นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังพระเจอผีค่ะวันนี้บี B. เองมีเรื่องมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะเป็นเรื่องจากคุณพัชราเล่าถึงประสบการณ์ขนหัวลุกจากวันสอบพิเศษ คุณพัชราบอกว่าเป็นครูอยู่โรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งกลางกรุงเทพนี่เองค่ะเป็นโรงเรียนเอกชนแต่ว่าค่าเทอมไม่แพงเลยดังนั้นก็เลยมีผู้คนทุกระดับพาลูกหลานมาเรียนกันแม้ว่าจะมีแค่ชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่6เท่านั้นก็ตาม ผู้ปกครองล้วนวางใจในการเรียนการสอนของที่นี่ซึ่งก็เป็นที่เรื่องชื่อลือชาว่าวิชาแข็งแล้วก็เข้มข้นเด็กที่จบป .6 ที่นี่จะเป็นเด็กเก่งพร้อมกับเรียนต่อในระดับมัธยมได้อย่างมีประสิท ธ, ธิภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นการไปสอบเข้าที่ไหนก็ไม่ผิดหวังค่ะคุณพัชราเป็นครูสอนวิชาภาษาไทยและทาหน้าที่ประจาชั้นประถมศึกษาปีที่4ด้วยค่ะ เด็กห้องคุณพัชรานี่ก็อยู่ระดับกลางแต่นิสัยดีไม่เครียดแล้วก็มีดือ้อเกือบทุกคนเนี่ยจะเรียนพิเศษตอนเย็นซึ่งปกติโรงเรียนจะเลิก 3-30 โมงครึ่งแต่ว่าพวกที่เรียนพิเศษเนี่ยจะเลิกตอน5้0โมงเย็นจะว่าไปแล้วสิ่งที่สอบก็คือการบ้านนั่นเองนะคะทีนี้เด็กพวกนี้เนี่ยเขาก็จะทำการบ้านเสร็จที่โรงเรียนเรียบร้อยเลยคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องเหนื่อยเขี่ยวเข็นเองที่บ้าน แต่ได้ข่าวนะีคะว่าถ้าให้ไปทํากันบ้านเองแล้วก็กว่าจะได้นอนก็นูน่นไม่2ยงํยาก็ตีหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็เลยยินดีให้ลูกเรียนพิเศษกันทั้งนั้นถึงแม้ว่าจะมีกําหนดเวลาว่าการสอนพิเศษตอนเย็นนั้นเลิกห้าโมงเย็นก็ตามแต่ก็มีนักเรียนหลายคนค่ะโดยเฉพาะห้องเรียนที่อ่อนทําการบ้านไม่เสร็จ คุณครูบางคนก็ขยันกวดขันทั้งเด็กทั้งครูบางห้องนะคะก็เลยกลับกันเย็นย่ําคํามืดอย่างเช่นป .6 ของครูติ๊กห้องที่เด็กนักเรียนนี่อ่อนที่สุดคะแนนต่ําและบางคนก็มีปัญหาด้วยทีนี้ครูติ๊กเนี่ยเป็นครูที่หวังดีต่อเด็กทุกคนเลยนะคะคุณพัชราบอกรับประกันได้เธอสู้อุตส่าห์เสียสละเวลาอยู่สอนเด็กๆอย่างอดทนส่วนมาก ว่าจะได้กลับก็เกือบทุ่มนึงนะคะีค่ะถ้าเป็นฤดูร้อนก็ค่อยยังชั่วเพราะว่าฟ้าจะเริ่มมืดพอดีแต่ถ้าเป็นฤดูหนาวแล้วก็ห้าโมงครึ่งก็มืดตืดต้อไปแล้วนะคะเรื่องขนหัวลุกของเราเกิดขึ้นในตอนค่าของเดือนธันวาคมปีที่แล้วนี่เองวันนั้นครูพัชราเนี่ยมีงานเยอะแม้เด็กนักเรียนของห้องของครูพัชราเนี่ยจะกลับกันไปหมดแล้วก็ตามแต่ว่าครูพัชราก็ต้องนั่งตรวจงานต่อทั่วทั้งตึก ปิดไฟหมดเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแต่ว่าครูพัชราเองนะคะก็ยังคงอุ่นใจดีเพราะว่ารู้อยู่ในใจอยู่แล้วว่าข้างบนเนี่ยซึ่งเป็นห้องของครูติ๊กนะคะก็ยังมีนักเรียนเหลืออยู่ 2- อสาคนค่ะครูติ๊กบอกว่าถ้าเสร็จแล้วจะมาตามให้ครูพัชราเนี่ยเพื่อกลับบ้านด้วยกันบ้านของครูพัชราแล้วก็ครูติ๊กเนี่ยคืออยู่ทางเดียวกันเนี่ยนะคะบางทีก็อาจจะแวะไปกินข้าวแถวๆนี้ก่อนก็ได้แล้วค่อยกลับบ้าน 1นทุ่ม15นาทีค่ะครูติ๊กเดินลงมาสีหน้าท่าทางเธอเหนื่อยไม่เบาเลยแล้วก็รีบเก็บข้าวของแล้วก็หยิบกระเป๋าเดินออกจากห้องโดยปิดไฟแล้วก็ปิดประตูเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ลงบันไดกันมาสองคนค่ะลานตึกข้างล่างนี้โย่อข้างล่างนี่คือโล่งยาวตลอดเลยดูมืดสลัวเพราะว่าปิดไฟอ่าเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงแค่ไฟนีออนไว้แค่ดวงเดียวเท่านั้นเองทันใดนั่นเองคุณผู้ฟัง ครูพัชราเนี่ยก็คือเหลือบไปเห็นผู้หญิงคนนึ่งรูปร่างทุ้มๆผมดัดสั้นพองฟูเลยแหละค่ะสวมชุดทำงานแบบราชการนั่งอยู่ที่เก้าอี้ซึ่งเป็นที่นั่งของบรรดาผู้ปกครองเธอนั่งอยู่เพียงลำพังในบรรยากาศเงียบเหงาวังเวงครูพัชราแล้วก็ครูติก๊กก็ต้องเดินผ่านเธอในระยะใกล้ แล้วก็ในขณะที่กำลังจะถึงตัวเธอนะคะครูติ๊กก็ต้องสะดุ้งเลยล่ะค่ะชะ ง, งักฝีเท้าอย่างตกใจทำหน้าเหมือนถูกผีหลอกปากสั่นเลยดิฉันนึกว่าเธอตกใจที่อยู่ๆเนี่ยคือเห็นผู้ปกครองมานั่งอยู่แบบนั้นครูพัชราบอกนะคะคุณแม่ยังไม่กลับเหรอคะลูกอยู่ไหนล่ะคะครูพัชราถามแต่ว่าครูติ๊กเนี่ยคือกระตุกมืออย่างแรงเลยแหะค่ะเธอหลับตาปีแล้วก็ฉุดครูพัชราเนี่ยรีบเดินจนเหมือนกับ คล้ายกับอาการวิ่งนะคะแล้วก็มีอาการสติแตกร้องวีดแล้วก็วิ่งเตลิดเปิดเปิงไปถึงหน้าประตูล้มลงกองกับพื้นถนนคุณพระช่วยครูพัชราบอกครูติ๊กนี่คือหายใจหอบแล้วก็เริ่มร้องไห้แต่ก็ยังระล่ําระลักนะคะให้ครูพัชราเนี่ยคือรีบเรียกแท็กซี่ครูพัชราประคองครูติ๊กลุกขึ้นน่ะแล้วก็พอดีแท็กซี่นี่คือวิ่งมาคันหนึ่งไม่ช้าก็คือ ออกจากโรงเรียนไปนะคะอาการครูติ๊กก็ค่อยดีขึ้นหน่อยแล้วครูติ๊กเองเนี่ยก็คือขอให้ครูพัชราตามไปส่งถึงบ้านซึ่งครูพัชราเองก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรทีนี้เมื่อถึงบ้านครูติ๊กค่ะเธอก็กินยาลมแล้วก็นั่งสงบสติอารมณ์พักใหญ่แล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยคือไม่ใช่คนนะเขาตายไปแล้ว ครูติ๊กเสียงระโหนเต็มแรงค่ะเรื่องมีอยู่ว่าเธอผู้นั้นเนี่ยเป็นแม่ของเด็กนักเรียนชั้นปหกเมื่อสองปีก่อนเด็กคนนี้มีปัญหาทางบ้านพ่อแม่แยกกันเด็กก็ซึมเศร้าไม่เรียนไม่ทํากันบ้านครูติ๊กก็เลยเชิญเธอมาในเย็นวันหนึ่งเพื่อคุยกันเรื่องนี้เธอถูกรถชนตายคาที่ทีนี้เนี่ยครูติ๊กก็เลยรู้สึกผิดมาตลอดคือถ้าไม่ใช่เพราะว่าเธอเนี่ยคือเชิญคุณแม่คนนี้นี่มาเนี่ยคุณแม่คนนี้เองก็คงไม่ตายสยองแบบนี้ ครูติ๊กจำเดม่นเลยนะคะเพราะว่าตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นี่คือได้คุยกันเสมอครูพัชดาฟังแล้วค่ะทั้งกลัวทั้งสงสารคือมันสะเทือนใจอย่างบอกไม่ถูกสิ่งที่เราเห็นแสดงว่าเธอยังห่วงลูกของเธอเป็นอย่างมากจิตใจเธอผูกพันกับการมารอคอยลูกแล้วก็มารอรับลูกอยู่เสมอแม้จะเหลือเพียงแค่วิญญาณก็ตาม คุณแม่จะรู้หรือเปล่าว่าลูกของคุณแม่เนี่ยได้เข้าโรงเรียนมัธยมแล้วและกำลังเรียนอยู่ชั้นม .2 ครูติ๊กกับครูพัชราเป็นไข้สูงกันทั้งคู่เลยค่ะในวันรุ่งขึ้นและหลังจากนั้นมานะคะก็ไม่ยอมกลับบ้านมืดๆข้ามๆอีกเลยเรียกว่ายกเลิกการทำกันบ้านที่โรงเรียนไปชั่วคราวเลยละค่ะ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 ซึ่งน้องชายเองเนี่ยนะคะก็กำลังนั่งดูบอลโลกอยู่เลยจนกระทั่งฟุตบอล น, นี้จบค่ะช่วงเวลาประมาณตีสอครึ่งน้องก็ได้เดินจากชั้นสองซึ่งเป็นห้องนั่งเล่นกลับเข้ า, านอนที่ห้องของตัวเองระหว่างทางที่เดินผ่านที่พักบันไดน้องชายนี่ไม่ได้เปิดไฟทางเดินมีแค่ไฟสลัวตรงหน้าต่างนะคะน้องชายได้ยินเสียงผู้หญิงสองคนค่ะคุยกันตรงหัวบันไดประมาณว่า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 เขารู้สึกว่าเหมือนมีคนอื่นอยู่ด้วยนอกเหนือจากเวลาที่เขาอยู่ในบ้านแล้วรู้สึกถึงสายตาะะที่จ้องมองตลอดเวลา mm hmm. เขาบอกว่าไม่อยากเล่าให้เราฟังเพราะก็กลัวว่าคุเอื่นนี่จะกลัวหรือไม่สบายใจแล้วก็ขอยืนยันนะคะว่าเรื่องเล่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่อง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 จนน่าใจหายรถราแทบจะไม่ดังแววมาเลยแม้แต่คันเดียวค่ะแต่ว่าเสียงคนเดินกระดานลั่นเอียดอาดดังอยู่ข้างบนเนี่ยมันแน่นอนเลยจนต้องแงนหน้ามองตามไปทังโน้นทีท้งนี้ทีนั่นก็ห้องพ่อแม่นั่นก็ห้องเราเองซึ่งตอนนี้เนี่ยคะ่ะออกมาหน้าห้องแล้วกระดานมันก็ลั่นเอียดเอียดมาตรงบันไดค่ะเหมือนจะลงมาข้างล่าง หัวใจก็เต้นโครมครามแล้วค่ะราวกับมีกลองมารวอ้าปากค้างตาเบิกโครงจ้องมองที่บนไดแต่ก็ไม่มีเสียงบนไดลั่นนอกจากเสียงถอนใจยืดยาวหรือว่าจะเป็นลมพัดเข้ามาคุณอมรอบอกเอหรือว่าเราอุปทานไปเองหวาดกลัวไปเองเพราะว่าเป็นคืนแรกที่นอนอยู่บ้านเพียงคนเดียวและบ้านนี้มีอะไรตั้งแต่ปลูกมายังไม่มีใครตายสักคนนี้นาะหรือว่า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 วันนี้เราจะมาย้อนตำนานบ้านหลอนที่ถูกร่ำลือถึงความอาถรรพ์นะคะจนต้องถูกกล่าวขานแล้วก็บันทึกลงบนหน้าหนังสือพิมพ์จะมีบ้านหลังไหนกันบ้างเราลองมาฟังแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันนะคะ อาถรนพบ้านเก่าแก่ใจกลางกรุงผีพระยาเจ้าของบ้านค่ะในปี2545หนังสือพิมพ์หลายฉบับตีข่าวความเฮี้ยนของบ้านไม้ทรงยุโรปหลังหนึ่งในย่านสามเสนกรุงเทพมหานครโดยมีเสียงร่ําลือกันแว่าบ้านไม้ทรงยุโรปหลังนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5จํานวน3มหลังโดยตั้งอยู่ย่านสามเสนแขวงนครชัยศรีเขตดุสิตค่ะซึ่งเดิมเป็นของพระยาประเสริฐคมกริฐแล้วก็ถูกขายกันมาหลายทอด สุดท้ายก็อยู่ในความดูแลขององค์การสวนสัตว์ว่าเป็นบ้านที่มีผีเจ้าของบ้านสิงอยู่อีกทั้งยังมีเรื่องเล่าขานกันนะคะว่าลูกสะพ้าของพระยาประเสริฐผูกคอตายขณะตั้งครรภ์ที่บ้านหลังนี้และยังมีทหารนายสิบตายอีกต่อมานายโสพลดำนุย้ยหารองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ก็ได้ย้ายครอบครัวมาอยู่แล้วก็ปรากฏค่ะว่า นายโสพลนี่เจอปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติโดยระบุแน่ว่าเจอชายแก่นุ่งจงกระเบนเสื้อราชประแตนมหาพร้อมด้วยลูกสภายอุ้มเด็กหัวจุกมาทวงค่าเช่าที่ดินนายโสพลก็เลยต้องเขียนเช็คจ่ายเงินค่าเช่าที่นำไปวางไว้ที่ศาลเจ้าหลังบ้านทุกๆเดือนค่ะ นอกจากนี้นายชนะประพันธ์วงศ์นะคะเจ้าของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งเคยเป็นเจ้าของบ้านเฮียนหลังดังกล่าวก็ออกมายืนยันว่าเคยเห็นผีพระยาเหมือนกันกับนายโสพลทั้งในความฝันแล้วก็เห็นกับตาอีกทั้งเวลาที่ตัวเองกลับบ้านดึกๆเนี่ยก็มักจะเห็นคนโบราณนั่งตําห ม, มากอยู่เต็มสนามหญ้าไปหมดเลยแล้วก็ยังเล่าด้วยนะคว่าครั้งหนึ่งผีเจ้าของบ้านยังเคยช่วยชีวิตเอาไว้เมื่อครั้งที่เครียดกับปัญหาเศรษฐกิจ เตรียมปืนมาจะยิงตัวตายแล้วละ่ะพอเผลอหลับไปเจ้าของบ้านก็มาเตือนไม่ให้ทำอะไรโง่โๆจนได้สติกลับคืนมาต่อมาไม่นานน ะ, ะ่ะยังให้ลาบก้อนโตฝันเห็นเลขสองตัวเนี่ยลอยมาจากตอไม้ก็เลยนำไปซื้อหวยใต้ดินก็ถูกได้เงินมา 3,000 300, บาทนะคะบ้านหลังที่สองคุณผู้ฟังหลังนี้เนี่ยหลายคนต้องรู้จากบ้านขุนพิทักษ์ ถูกทิ้งร0อยปีไม่มีคนอาศัยเรื่องราวชวนขนหัวลูกนี้นได้ถูกเปิดเผยขึ้นเมื่อวันที่16มกราคมในปี45นะคะโดยมีเสียงร่ำลือกเกี่ยวกับบ้านโบราณของขุนนางเก่าแก่หลังหนึ่งค่ะซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในแต่ละคืนมักจะมีเหตุการณ์ประหลาดทั้งเสียงโหยหวนของผู้หญิงชาวบ้านบางค น, เ, นเคยเห็นหญิงสาวใส่ชุดขาวออกมายืนบริเวณหน้าต่าง ขนาดนกนะยังไม่กล้าบินมาเกาะหลังคาเลยทั้งที่บ้านหลังดังกล่าวเนี่ยเป็นบ้านร้างค่ะแล้วก็ไม่มีใครนะคะที่ม า, อ, าอยู่หลายสิบปีแล้วนายชัยกรนิยมไกลชาวบ้านในละแวะกนั้ น, นก็บอกว่าบ้านของตัวเองเนี่ยมันอยู่ห่างจากบ้านหลังดังกล่าวแค่ร้อยเมตรซึ่งตัวเองก็อยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วแต่ว่ายังไม่เคยเห็นใครมาดูแลบ้านหลังนี้นะคะแล้วก็ทุกครั้งที่ตัวเองมองผ่านบ้านหลังนี้เนี่ยก็จะรู้สึกว่า มันวังเวงเดิมทีนะคะก็ทราบว่าเจ้าของบ้านชื่อขุนพิทักษ์เป็นขุนนางสมัยรัชกาลที่5หลังจากเสียชีวิตแล้วก็ได้ยกบ้านหลังนี้พร้อมที่ดินหลายไร่ให้กับราชพัสดุจากนั้นก็ไม่มีใครเข้าอยู่อาศัยร่วมร้อยปีมาแล้วนะคะทั้งนี้เองเนี่ตัวเองก็เคยชวนเพื่อนข้ามไปดูในบ้านแต่ก็ต้องแปลกใจค่ะเมื่อพบว่าภายในบ้านเนี่ยสวยงามประตูหน้าต่างก็มีลวดลายแกะสลักประณีตบรรจงค่ะที่สําคัญ ทุกซอกทุกมุมของตัวบ้านแล้วก็พื้นกระดานซึ่งเป็นไม้แผ่นใหญ่ดูสะอาดเหมือนกับมีคนคอยทำความสะอาดอยู่ไม่มีหนูหรือว่านกไปทำรงังเหมือนกับบ้านรางทั่วไปนะคะนายชัยกรก็ยังบอกอีกค่ะว่าชาวบ้านที่เคยเจอเหตุการณ์ประหลาดจากบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นประจำโดยเฉพาะช่วงเวลาเย็นใกล้พบคล่ำแสงแดดเป็นสีเหลือง หรือที่ชาวบ้านเรียกนะคะว่าผีตากพระอ้อมค่ะจะเห็นผู้หญิงนสวมชุดขาวเปิดหน้าต่างชั้นบนออกมาบางครั้งก็มีเสียงผู้หญิงร้องโหยหวนแล้วก็เสียงเปิดปิดประตูดังปังนะคะหลายครั้งทั้งๆ ท, ท, ที่รอบๆพระศมีร้อยเมตรเนี่ยไม่มีบ้านเรือนประชาชนอาศัยอยู่แต่อย่างใดนอกจากนั้นนะคะเมื่อครั้งที่เข้าไปดูในบ้านนี่ยยังเห็นห้องใต้ดินด้วยแต่เมื่อเดินลงไปไม่กี่ก้าวก็รู้สึกว่าเออมันเย็นจนต้องออกมาชาวบ้านแถวนี้ก็เลยเชื่อนะคะว่าน่าจะมีวิญ ญ, ญาณ คุณพิทักษ์แล้วก็บริวารวนเวียนอยู่ก็เลยไม่มีใครกล้าย่างกรายเข้าไปใกล้จนถึงทุกวันนี้ค่ะอีกหลังหนึ่งเป็นหลังที่มีประวัติลูกฆ่าพ่อด้วยมีดโบวีฟันร่างยับเยินคารืหาดตั้งหัวผวาขนหัวลุก กรณีนายวิชัยแสงกล้าคนรับใช้ในคารืหาดของนายชัยสิริเรื่องการจนิเสรษอดีตรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์และก็สอสอุบลราชธานีนะคะผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วเพราะว่าลูกชายก่อเหตุปิตุคาตค่ะซึ่งนายวิชัยได้ก่อเหตุสยองใช้ค้อนปอนทุบกะโหลกนางหนูรัตน์นะคะผู้เป็นภรรยาเจ็บสาหัสแล้วก็ผูกคอตัวเองเสียชีวิตคาห้องพักในรัวบ้านของนายชัยสิริหรือว่าเสียตั้งหัว จากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เรียกนายจำเนียนมนทินอาจคนสวนมาสอบปากคําก็ได้ความค่ะว่าก่อนเกิดเหตุนายวิชัยกับพวกเนี่ยรวมทั้งนางหนูรัตตั้งวงกินข้าวมื้อเย็นอยู่หน้าห้อง นางวิชัยก็บ่นปวดศีรษะกินข้าวไม่ลงแล้วก็ลุกไปซื้อบุหรี่แล้วก็เข้าห้องตามลำพังอาตามหลังภรรยาไปนะคะจนกระทั่งสองทุ่มเศษได้ยินเสียงร้องอย่างหยหวนเจ็บปวดของนางหนูรัดค่ะพวกตนก็เลยมองลอดกระจกบานเกล็ด เห็นว่านางหนูรัตเนี่ยร้องรวนครางกลุมศรีรษะที่มีเลือดไหลออกมาก็เลยรีบเข้าไปช่วยส่งโรงพยาบาลนะคะสำหรับคฤหาสน์ดังกล่าวคุณผู้ฟังก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุสยองสะเทือนขวัญมาแล้วครั้งหนึ่งก็คือเมื่อเจ้าของคฤหาสน์หลังงามฉายาตั้งหัวเจ้าพ่ออีสานใต้นายชัยสิริเรืองการจนเสดอดีตรัฐมนตรีชื่อดังล ถูกลูกชายคนโตเนี่ยทึ่งเป็นหนุ่มปริญญาโทรจากอเมริการ่วม ก, กันกับลูกน้องคนสนิทวางแผนชั่วค่ะก็คดีปิตุคาาสังหารพ่อบังเกิดกล้าวอย่างสุดอมหิตด้วยการใช้มีดโบวีฟันร่างยับเยินตายคาห้องนอนเนื่องจากต้องการมรดกนับพันล้านนะคะทางพันตำรวจตรีเพชรยืนยงเนี่ยก็บอกว่าช่วงเที่ยงได้มีโทรศัพท์อ้างชื่อพันตรีกรันเจ้าของบ้านฝั่งตรงข้ามบ้านเสียตั้งหัวเล่าว่า เคยมีเหตุฆ่ากันตายในบริเวณรั้วบ้านของเสียตั้งหัวมาแล้วหลายรอบและเมื่อเจ้าของครุหัตมาลูกามาถูกลูกชายกับพวกก่อคดีสังหารโหดหลังจากที่เสียตั้งหัวเสียชีวิตเพียง2คืนลูกจ้างคนนึงก็ประสบเหตุดึกอรับคือเห็นผู้ชายรูปร่างหน้าตาเหมือนนายชัยสุริเนี่ยมาเดินอยู่ในบ้านหลอกหลอนทุกคืนตนก็เลยคิดว่าจะต้องโยกย้ายไปเช่าบ้านอยู่ที่อื่นอาศัยดีกว่าดีกว่าที่จะโดนผีหลอกจนต้องกลายเป็นโรคประสาทกินไปในทันทีนะคะนี่ก็เป็น การย้อนตำนานบ้านผีเฮียนค่ะที่เรียกว่าหลอนจนเป็นข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ หมดเวลาของพระเจอผีไประจำวันนี้แล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะหากว่ามีเรื่องใดข้อมูลผิดพลาดตามที่คุณผู้ฟังได้ยินและก็ได้ฟังมาหรือไปซ้ำกับช่องอื่นต้องกราบขออภัยด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจช่องด้วยค่ะด้วยการกดไลค์กดแชร์คลิปของเราแล้วก็กดติดตามพร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ให้คุณผู้ฟังพลาดทุกเรื่องที่ถูกอัปมาใหม่ๆด้วยวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ